อุตสาหะภาคเพียนฝึกฝนจิตแม้ประสบทุกข์เจียนตายแต่ความมุ่งมั่นไม่ถอยระยะก่อนที่ท่านจะเข้าอยู่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านได้ไปพักอยู่ณบ้านตาดซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านช่วงนี้เอง เป็นช่วงที่ท่านประสบภาวะจิตเสื่อมด้วยเหตุที่ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกลดเพื่อเตรียมออกวิเวกขณะที่เริ่มทำยังไม่ทำเสร็จดีกลับปรากฏว่าในด้านสมาธิของท่านก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงท่านเล่าถึงภาวะจิตเสื่อมนี้ว่า เป็นภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าสงบได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาดจะเป็นจะตายจริงๆเพราะทุกมากเหตุที่ทุกมากเพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิที่แน่นปึงมาแล้ว และก็กลับเสื่อมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนยึงเป็นทุกข์เพราะอยากได้สมาธินั้นกลับมามันเป็นมหันต์ทุกข์จริงๆก็มีคราวที่จิตเสื่อมนั่นแหลที่ทุกข์มากที่สุด ความทุกนี้ท่านเปรียบให้ฟังเหมือนกับเคยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นแสนล้านมาก่อนแล้วจูๆ่ๆมาล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งผู้ที่เคยมีเงินมากมายขนาดนั้นย่อมร้อนกว่าผู้ที่หาเช้ากินค่ำและไม่เคยมีเงิน หมื่นแสนล้านนั้นมาก่อนเลยผู้นั้นจะเอาอะไรมาเสียใจในความล่มจมของเงินก้อนนั้นได้เล่าสำหรับเรื่องนี้ก็เช่นกันภาวะที่จิตเจริญด้วยสมาธิก็เปรียบเหมือนกับผู้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินก้อนใหญ่นั่นเองความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นจริงจังของท่าน เพื่อที่จะครองชัยชนะในการต่อสู้กับกิเลสให้ได้นี้ท่านพูดเสมอว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้นจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ด้วยจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งดังกล่าวนี้จึงไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรค ต่อความตั้งใจจริงของท่านได้เพราะยอมต่อสู้ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นเอง ผู้เชี่ยวชาญวาระจิตหูทิปตาทิปตอนท่านเข้าอยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มั่นใหม่ๆนั้นในวันที่ไม่มีการประชุมฟังธรรมหลังจากท่านอาจารย์มั่นเสร็จจากการเดินจงกรมราวสองทุ่ม จะได้ยินเสียงองค์ท่านทำวัดสวดมนต์เบาๆทุกคืนเป็นเวลา น, านานกว่าจะจบและนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจําวัดแต่ถ้าวันที่มีการประชุมจะได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกันและได้ยินองค์ท่าน สวดอยู่เป็นเวลานานเช่นเดียวกับคืนที่องค์ท่านสวดตั้งแต่หัวค่ำวันเช่นนั้นองค์ท่านต้องเลื่อนการจําวัดไปตอนดึกราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งในระยะนั้นท่านเองอยากรู้จริงๆว่าท่านอาจารย์มั่นสวดมนต์พระสูตรใดบ้างถึงได้ใช้เวลานา น, านมากกว่าจะจบ แต่ละคืนนะคืนท่านเล่าถึงเหตุการณ์นี้ในแบบขบขันตนเองว่าเราแอบไปฟังท่านสวดมนต์เรายังไม่ลืมนะท่านก็กั้นห้องอยู่เราไปใหม่ๆไม่รู้ประสีประษาอะไรเราเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์พึมพึมพึมพึ ม, พมเงียบเงียบเราก็ด้อมไปนะ ท่านสวดบทอะไรนาะไม่ลืมนะโอ้ยเราขนลุกนะกลัวย้อนหลังนะเวลาทราบไปข้างหน้าไปเรื่อยๆโอ้ยกูตายมันไม่รู้ประสีประษาอะไรเลยเหมือนลิงว่าให้เจ้าของนะเราเดินจงกรมอยู่ท่านอยู่ในห้องสูงแค่นี้แหละนะพักนี้เป็นพักต่ำสำหรับพระเนนอยู่ พักที่ท่านอยู่นี้กั้นห้องออกจากนี้แล้วก็เป็นพักอีกพักหนึ่งได้ยินเสียงท่านสวดมนต์พึ่มโอ้โหท่านสวดมนต์เก่งนะสวดมนต์พึ่มเราก็ค่อยแอบเข้าไปแอบเข้าไปพอไปถึงที่ท่านก็หยุดสวดแล้วเงียบไปเราก็คอยฟังอยู่นะท่านก็เงียบเลย ตอนนั้นเรายังไม่รู้ตัวนะเลยว่าเดี๋ยวถอยออกมาสะก่อนเลยถอยออกไปพอเราถอยออกไปข้างนอกไม่นานสักเดียวท่านก็ขึ้นพึมพึมสวดมนต์ขึ้นอีกแล้วเราจึงแอบเข้ามาอีกคือไอ้หัวไม่รู้จักเสือหนูไม่รู้จักแมวว่าอย่างนั้นเถรนา โอ้ขบขันดีนะทีนี้พอเข้าไปอีกท่านก็นิ่งเงียบอีกนะเราก็เลยยืนอยู่นานคราวนี้แต่ท่านก็ยังเงียบอยู่อย่างนั้นก็เลยถอยออกมาอีกพอเราถอยออกไปทีไรสักเดี๋ยวท่านก็ขึ้นอีกแล้วอย่างนั้นนะครั้งที่สามถึงรู้ตัวนะครั้งที่สามเข้าไปอีก ก็เงียบอีกเลยมาสะดุกใจเอนี่หรือท่านรู้เราแล้วนะพอครั้งที่สามนี้มาสะดุกใจแล้วก็รีบออกมาเลยแล้วทีนี้ก็สังเกตดูตอนเช้าออกมาโอ้โหตาท่านถลึงจ่อใส่เราเลยนะโอ้ยกูตายแล้วโอ้ยกูตายแหลกแล้ว กูตายเมื่อคืนนี้แหลกแล้วละ่ะก็ท่านจ้องดูจริงๆเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าบอกชัดเจนแล้วนั่ น, น, นตั้งแต่นั้นมาเรากลัวยิ่งกว่าหนูกลัวแมวระยะแรกที่ท่านอยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านเล่าถึงความรู้สึกที่เกรงกลัวท่านอาจารย์มั่นมากว่าเวลาไปพบไปเห็นท่านที่แรก โอ้ยตัวสันนั่นแหละตาท่านเหลือบมาพับเท่านั้นมันก็อยากจะหงายไปแล้วตาท่านสำคัญมากนะตามีอำนาจด้วยเสียงก็มีอำนาจพูดออกมานี้แหลมคมไม่ขนาดนั้นกินเลส ก, ก็ไม่หมอบจะว่ายังไง